ไม่มีอะไรในใจของตัวที่จะมากีดมากันมาขวางมากัน้นเหมือนอย่างพระอรหันต์ขึ้นบนภูเขาเข้าไปในป่าก็เกิดความสุขจับพลันพอมาสัมผัสธรรมชาติท่านก็มีความสุขทันทีไม่เหมือนคนที่ยังมีทุกขมีเชื้อทุกขอยู่เข้าไปในที่ที่น่าจะมีความสุขแต่เจ้าตัวความกังวลความห่วงความไม่สบายใจ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 และไม่เฉพาะตัวท่านเองที่มีความสุขพร้อมอยู่เสมอแล้วเท่านั้นผู้คนอื่นมาอยู่ใกล้ท่านสภาพที่เคยวุ่นวายก็กลายเป็นที่สบายใจไปด้วยดังมีคำตรัสเป็นคาถาธรรมบทว่าคาเมวาญติวารันเยนินเนวาญาติวาทะเลยัตถอรหันโตวิหรันติ ตังภูมิรามณเนยยกังแปลว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นภูมิสถานอันเรื่นรมพระอรหันต์จะไปอยู่ที่ไหนท่านเองก็ร่าเริงใจได้หมดแล้วก็พาคนอื่นให้เรื่นรมไปด้วย ท่านสามารถมองสิ่งปฏิกูลของหน้ารังเกียจให้ดูดีน่าสบายใจก็ได้เพราะมีอำนาจบังคับสัญญาตามต้องการความสามารถนี้เป็นพาวิตินซีนี่ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการมีความสุขที่ว่าเป็นไปเองตามการพัฒนาของมนุษย์การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าถูกทางแล้ว ความสุขก็จะเลื่อนขั้นพัฒนาไปอย่างนี้เมื่อความสุขสมบูรณ์ทำอื่นก็สมบูรณ์ด้วยเป็นไปเองตามกระบวนการธรรมชาติอย่างเรื่องแม่ไก่ฟักไข่จึงแน่นอนไม่มีอะไรจะต้องสงสัยจึงได้บอกว่าจะพูดว่าพระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้จะพูดว่า กระบวนการกําจัดทุ ก, ก็ได้จะพูดว่าอะไรเมื่อเข้าแนวธรรมลงกับธรรมดาของธรรมชาติก็พูดได้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นแง่ความหมายที่มาโยงถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังไม่จบขอบอกเพิ่มว่าความสุขที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นปรากฏเป็นคุณสมบัติที่มีความหมายแผ่ขยายออกไปที่ควรต้องกล่าวไว้อีกอย่างหนึ่ง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 และวางใจต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องลงตัวพอดีทั้งหมดถึงจุดนี้บุคคลนั้นก็เป็นกระตะกรณีคือเป็นผู้ทำสิ่งที่ต้องทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อให้ตัวเป็นอย่างนี้อีกอะไรที่จะทำเพื่อให้ตัวเป็นสุขก็ไม่ต้องทำแล้วแม้แต่จะฝึกตนเพื่อให้พัฒนาในชีวิตในการศึกษาอะไรก็ไม่ต้องทาแล้ว ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าพระอรหันต์มีลักษณะสำคัญคือเป็นผู้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วศึกษาพัฒนาจบแล้วเป็นอเสขาคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกเป็นพาวิตะคือผู้ที่จเจริญแล้วอบรมแล้ว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 ปราถนาจะช่วยคนเหล่านั้นให้หลุดออกมาด้วยดังนั้นเมื่อตอนเองไม่มีอะไรต้องวุ่นพวงอีกแล้วก็เที่ยวแก้มัดคนอื่นไปทั่วเป็นอันว่าเมื่อบุคคลนิพพานและความสุขก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรจะต้องทำให้แก่ตัวเองอีกแล้วก็ทำการเพื่อโลกต่อไปดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอ า, าราชทั้งหลายในคราวส่งพระสาวกชุดแรกหกสบองค์ไปประกาศพระพุทธศาสนาว่าทั้งพระองค์เองและพระสาวกเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันได้หลุดพ้นแล้วจากบ่วงผูกรัดทั้งปวงทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์เป็นอิสระเสรีแล้วเพราะฉะนั้นจระทะิกเวจาริกัง พระหุชนะฮิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะภิสุทั้งหลายพวกเธอจงจาาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เหล่าประหูชนเพื่อเกื้อกาลุนแก่ชาวโลกนี่คือกติพระอระหันต์ตัวเองหมดกิจที่จะต้องทำเพื่อตัวเองแล้วทีนี้ก็ทำเพื่อโลกอย่างเดียว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 ถึงตอนนี้ความสุขสูงสุดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของบุคคลก็แผ่ขยายออกไปเป็นความสุขของมวลชนทั้งโลกตรงนี้ก็เหมือนกับว่าพุทธพจน์สำคัญว่าด้วยความสุขที่เป็นจุดหมายสูงสุด ข, ของการพัฒนาชีวิตกับพุทธพจน์สำคัญที่ว่าด้วยความสุขที่เป็นจุดหมายอันยิ่งใหญ่ของการบันเพ็นพุทธกิจมาประสาบนบรรจบและส่งต่อผลแก่กัน คือพุทธพธทิทวานิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขมาบรรจบรับกันกับพุทธพน์ว่าพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อความสุขของพระหูชนเพื่อเกื้อกาลุณแก่ชาวโลกพูดสั้นสันว่าสภาวะสูงสุดแห่งบรมสุขอํานวยผลกว้างใหญ่